<c oughs> นะป้องทับกัน <c oughs> เราก็งี้ อ, อกันเดียวกันมีการศึกษาปฏิบัติทิศทางเดียวกันการใช้ชีวิตก็เผื่อการปฏิบัติ การปฏิบัติก็คือการมีสติมีสจัญญะคอยดูแลตัวเองหลายรูปหลายแบบแการสวดแล้วก็ดูแลตัวเองการไปชิดคือใครพิจารณาอย่างไงการไปชิดก็คือผู้ที่ เห็นภัยในวันตอสองสารอันเกิดขึ้นจากชีวิตเราแล้วก็เพศของเราเป็นอุดมมาเพศเพ่อแม่ก็กราบพระราชาก็กราบแต่การกายวาจาที่เราต้องทำ ให้ดีขึ้นไปกว่า น, นี้มีอยู่อีกจากควงเป็นคนมาเป็นมนุษย์ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากควง เ, เป็นมนุษย์ไปเป็นกัลยาณมา์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็นพระโสดาปฏิมคาคโสดาปฏิผล อนาคามีมักอนาคามีผลอรหันต์แต่มักอรหันต์แต่ผลผู้แห่งบุรุษีคู่เลาร่วงไปเรื่อยๆไปแล้วก็ปฏิบัติชอบตามการสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยอาการคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เขื่อนเราเองตีเตือนตัวเราเองได้หรือไม่ผู้ลูกก็ตีตวน เ, เตือนเราโดยศีลได้หรือไม่นี่ลักษณะการมองตนวอามามองตนจากตัวเราเองจากคนอื่นเชื่อหมมอง เอาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่มองตอนเองให้รอบครอบอ ย, อ, อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นสุขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอย่าให้มันมีปัญหา ก็เป็นเรื่องศึกษาไปไปตื่นเรล้นสนุกเาว่าสนุกก็เป็นสมมติถ้าจะว่าทุ ก, ก็สนุกทุกถ้าจะว่าโกรดก็สนุกโกรธถ้าจะว่ามันหลงก็สนุกหลงมันหลงก็ําให้เราสนุกเพราะเราลู้ เรารู้สึกตัวเป็นเรื่องสนุกเพื่อเพลิดเพลินในธรรมความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชีวิตเรานะอย่ามาลงโทษอย่ามาชอบว่าไม่ชอบอะไรทั้งหมดเลยถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกทั้งหลายโลกคือมีรสชา ต, ติความพอใจความไม่พอใจเป็นโลกความีินดีความีร า, ายเป็นโลกเราต้องถอนออกมาให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งในโลกเหมือนพระพุทธเจ้าตัด สอนพวกเราว่าโศทั้งหลายจมดูโลกอนันวันวิกิตกาลดุดราชรถตกแต่งคนหลงเท่านั้นที่หมกอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไหมเราก็เห็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เห็นนอกจากกายจากใจเราไปจะเป็นโล ก, กเรยกว่าสังขารละโลก โลกคือหมูสัตว์โลกคือแผ่นดินแผ่นฟ้าซึ่งมาจริงเหล่านี้ก็ทำให้เราฉลาดทามาเป็นการรู้ทำทั้งหมดทำไมเพราะมีก้อนเมฆซึ่งมีเพราะมีดว ง, งอาทิตย์มันจึงมีก้อนเมฆ เพราะมีก้อนเมฆฝนยัยงตกเพราะฝนมันตกถนนมันลื่นเพราะถนนมันลื่นเราก็หกล้มพหกล้มหัวก็ไปถูกกับตตไม่เอาหัวก็แตกเพราะหัวแตกก็ไปหาหมอหมอก็ทำแผลให้ ก็หมอทำแผลให้มแผลก็หายล้วก็กลับบ้านเรามองยังไงอย่างนี้เรามองว่าเป็นโชคร้ายไปไปมองแบบไม่มีสิ่งที่เนื่องด้วยกันโชคร้ายหมอแต่ถ้ามองแบบธรรมชาติธรรมชาติ มันก็ไม่ใช่โชคดีโชคได้ยอะไรมันมีเหตุมีปัจจัยเนื่องด้วยกันเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมดาทำไ ม, มห่านนั่งยงร้องเสียงดังเพราะเป็นเป็นธรรมชาติทำไ ม, มนอไัยยังขึ้นจากดินได้ทั้งๆ ท, ที่มันตอน่ตอน เพราะเป็นธรรมชาติทำไมหัวเราจรึงหัวล้านเพราะมันเป็นธรรมชาติจากหลวงพอ่อหัวล้านนะเพราะเป็นธรรมชาติเอาอะไรก็อะไรก็ธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติยางไง หันทำไมมันล่องเสียงดังเพราคอมันยาวมันถูกไหมอาจจะไม่ถูกเส ม, มอไปอืงเอิงไม่มีคอเลยทำไมล่องดังเหลือเกินก้ามเป็นหมู่บ้านเป็นหลายกิโลน่ะเปนธรรมชาติของเขาหอมง่ายมันขึ้นแทงขึ้นจากดินเลยเพราะมันแหลมอา้าวอัน เห็ดตะปูที่มันตู้ตู้มันทำไมแทงขึ้นมาจากดินได้มันไม่มีแหลมอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอะไรอะไรก็ตามมันเป็นง่ายง่ายจะมองถึงโชคร้ายโชคดีอะไร้าจะมองก็เยิ่มก่อนได้ทุก สถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเยี่มได้มันก็ลื่นเลงดีลื่นเลงในธรรมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเรามีสติไม่จะไปทางนี้ถ้าหลงว่าพัดเข้าไปในอาการต่างๆพอจะพอใจไม่พอใจ โลกมัก็อยู่อย่างนั้นเท่าไรเท่าไหร่หก็อยู่นั้นเราไม่เจริญเติบโตในจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันของพระตาได้พระตาได้เจนถึงวิเศษวิเศษวิไนยวิแปลว่าวิเศษวิแปลว่าพระไนยะนําไปอย่าง ถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่าวิเศษหรือวินัยะธรรมวินัยะเป็นของที่เป็นเครื่องมือของเราทั้งหมดเลยคำสอนพุทธเจ้าตัดไปดีจริงๆทั้งธรรมวินายะอาศัยกันไม่ใช่วินัยอื่นทำอย่างอื่นไม่ใช่เป็นนั่นเดียวกันพอไม่ทําไม้วินัยก็มีอดีมักอยู่ในธรรมวินัย เป็นทางพ้นจากปัญหาต่างๆเราไม่ใช่โง่ๆอะไรมาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่รผเสืิอที่สุดเวลาเราเดินโยมกมลเนะี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะไม่มีอะไรช่ ง, งางงามเหมือนกับเราเดินมีสติอยากให้พ่อเรามาดูอยากให้แม่เรามาดูเวลาเราเดินโยมกม ค่ามั้งที่ริงเหล่านี้แทนที่เราใช่เป็นประโยชน์เราก็ใช่เป็นความยากลำบากไปซะนะเดินสุดหัวใจการนั่งสร้างจังหวะอยู่ในกติของตนของตนาก่กาัรใตอัติเลกกระลาบงาหรือบวชเป็นโนบายหรือว่าคาสวพัฒน์เป็นโนบาย นพิพานเสเมยปันเตสจิกรัตถายะอิมังกาสาวังขะเหตวาเพราะใช้ผ้ากาสอดนี้ข้าพเจ้าเพื่อสร้างมรรคผลนผ่านจากผ้ากาสะพทัทของเราซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ประดับได้การใช้ชีวิตของเราที่เป็นนักกวช เธดับได้เดียวยังถือว่าเป็นราบของเรารา บ, บนประเริฐของเราแล้วการใช้ชีวิตอย่างสำนัผู้เห็นผู้มีความสงบสำนัผู้มีความสงบส น, งบนรรพชิดผู้เห็นภัยในวัตาสงสารพระเป็นผู้รเผยญาติโยมที่เป็นวาโศกบัิกาไม่ได้บวชก็เป็นมนรรพชิตได้ เห็นภัยด้วยกันดังนั้นไม่ใช่เราเป็นนักบวชผมเหลืองหัวโล้นผมขาวหัวโล้นผมยาวๆอย่างญาติโยมางแขงขาสั้นางแขงขายาวเสื้อแขนสั้นเสียยาวสีขาวสีดำเป็นสานักได้เป็นบันไปชิตได้เาะตัวทำเอมือนเดียวกันมีสิทธิเท่าเทียมกันคือความไม่หลง ก็ไม่ทุกก็ไม่ปรงก็ไม่ตมันมีตรงเงินข้าวมันไม่ถูกมันม่ผิดมันไม่สุขมันไม่ทุกมันมีไม่สุขไม่ทุกก็ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อมันมันท่อมันจะเป็นสุขได้ร่อมันดีเป็นทุกได้ทุกขเวทนาสุขขเวทนาอาทุกขมาสุขเวทนามันเป็นได้แต่ต้องทำให้มัน เหนือเเห็นทั้งสามอย่างเรียกว่ายมกไปว่าสามลักษณะสุขก็มาใช้ทุกข์ก็มาเฉ้อสุขเข้ามาทุกข์เข้าก็มาใ ช, าาาาาใช้ต้องเหนือทั้งสามอย่างเนี่ยความสุข ก, ก็เป็นทุกข์ได้ความทุกข์ก็เป็นสุขได้ขณะที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ก็เป็นได้ถ้าเราไม่มีสติมันยังเป็น พิทเป็นภัยต่อชีวิตเรากุศลอกุศลอัพยากิษอย่างพระอาจานย์สวดในงานศพกุชลาธรรมอกุชลาธรรมอัพญญาเกิดธรรมะกุศ ล, ค, ลคือความเฉลาตุกุชลาอกุชลาธรรมะคือความงูความมัชลาด อพยากตาธรรมมากำลังเป็นกลางกําลังจะฉลาดหรือไม่ฉลาดพอที่สิ่งที่เคยฉลาดกลายเป็นขั้วมุ่งสิ่งที่เป็นคั้วมุ่กลายเป็นความฉลาดแล้วก็ไม่อยู่ที่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นสังขารถ้าเราเปลี่ยนนะมันลู่จะคงที่จะมันก็เป็นวิสังขารเหมือนรงเหมือนขอบกับด้งที่มันเป็นองคง์ เมื่อเราทิ้งไปมันก็กลมมันก็ทิ้งไปได้จนสุดเบี่ยงข้ามันแล้วก็ล่มลงชนตะพื้นตะพือไปถ้าเอามาแบ่ใชเอามาแบนๆใช้ให้มันไม่กลมไม่ไม่ทิ้งถ้าเป็นวิสังขารคือไม่ไปหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วมันก็ใช่ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตใจเราและคนเด่น ชีวิตเราน่ะเพื่อเราเพื่อคนอื่นเพื่อเสียงอื่นเพื่อวัตถุอื่นมีประโยชน์แก่ชีวิตเรามากมายมีโทษต่อชีวิตเรามากมายเราจึงจําเป็นต้องปฏิบัติธรรมกันนี่แหละอย่าประมาทแน่นอนคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเกิดเจ็เจ็บตายซึ่ง เป็นการตัดสินใจมาแล้ ว, ลวเป็นการตัดตัดสินชีวิตมาแล้ ว, ลวถ้าเป็นนักโทษก็ตัดสินปรหารแล้วเราจึงเป็นนักโทษก็ว่าได้ความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายเราทําไงบัะเนี่ยขณะนี้เราก็ต้อง นูนะมันซะเกิดเจเจบตายนะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอยู่ยังไงสนุกก็สนุกก็เป็นสมมติไม่สนุกก็เป็นสมมติไม่รั่วอะไรมาพูดเลอเอาสมมติมาพูดนะให้มันเหนือใช่เห็นมันเจ็บมันก็สนุกไปกับความเจ็บเห็นมันทุกสนุกไปกับความทุกข์เอามาเป็นเครื่องบรรลุธรรม ในความสุขความทุกข์ได้แน่นอนที่สุดการปฏิบัติธรรมเรายอดเยี่ยมที่สุดเลยทุกชีวิตทำได้เหมือนกันไปอธานเดียวกันเดินไปคนเดียวถึงที่หมายเดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าไปถึงที่น่นแล้ว เขาจะเอเรียกเราอีกให้ไปที่โน้นเหมือนกันไปได้คนเดียวก็เดินโเโาใครมันถ้าลงเราก็รู้เองเราสร้างความรู้ความรู้เนี่ยก็ช่วยเราเรามีความรู้เหมือนเรามีเงินเงินก็ช่วยเราแต่เราไม่มีเงินอ้อนวอนอยังไงมันก็ไม่มี ันเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกตัวนี่ก็เหมือนกันเราต้องไม่ต้องไปคิดอะไรต่างๆโดยเฉาะความคิดเนี่ยเป็นเป็นการหลอกเราข้งสุดท้ายก็ว่าได้อันอื่นหลอกก็จบเป็น แต่ว่าความคิดที่มันเกิดจากตัวหลงตัวคิดแต่หลงความคิดเนี่เียว่าลามมันหลอกมันหลอกไปไกลไปยาวไปมากเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเห็นตัวคิดเห็นตัวสมูกไทยเห็นตัวสังขารจนพูดออกมาเป็นพุทธภาษิตเป็นปฐมภาพาสิต ขั้งแรกที่สเสด็จเรารู้จักเจ้าแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้จักเจ้าเราแล่นท่องเที่ยวเก่าเจ้ามาหลายภพหลายชาติความรักความจงความจบความทุกข์วันนี้เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกคองเดือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเดือนเราก็ลื้อเสียแล้ววิสังขารอะไรต่างกี่ต่างจิตของเราทึ่ง สภาพที่ไรผมแต่ง ไ, ได้แต่วิสังขารเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารวิสังขารคือนิพพานนิพพานคือความมั่นคงของชีวิตเาไม่ต้องตายไปนิพพานไม่ใช่เรื่องตายหายไม่หยุดหายใจพระพุทธเจ้าของเราได้นิพพานเมื่ออายุสาหปีจนอยู่ไปจนหนึ่งแปดสิบปี เมื่อหมดลงมาจะดับปะรินิพานไม่ใช่ตายเป็นปัรินิพานคือดับขันธ์หน้าเอาขันธ์หน้าเป็นเป็นสิ่งจุดหมายปลายทางดับเป็นจะขันธ์ขันธ์หไม่มีไม่ใช่ตายมันเป็นเรื่องขันธ์หา มีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารอยญญามันดับมันดับไปตั้งแต่นั้นแล้วเป็นปีนวิชาเพราะวิชามีจึงไม่มีสังขารพอสังขารไม่มีนามรูปก็ไม่มีพอนามรูปก็มีอายะตะะก็ไม่มีอายะตะละไม่มผัจจะก็ไม่มีเพราะภัจจะไม่มีเวทนาก็ไม่มี เวท น, นาไม่มีก็ไม่มีอุปทานอุปทานไม่มีพบชาติก็มีเมื่อพบชาติ์ไม่มีแล้วเวล า, มาโม ร, ระโสกไปบรรโทรทุกข์ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยเป็นธรรมชาติมองเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นน่ะเห็นเห็น่ะตัวเห็นตัวเนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เป็นเรื่องที่สุดยอดของการศึกษาเห็น จากความรู้สึกของเราตานที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดนึกเห็นเวทนาเห็นเงินอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งหลายมีแต่เห็นนั้นมีแต่เห็นดางนั้นแล้วเห็นเลยงเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นก็ราว่าเห็นมันก็หลุดพ้นอยู่ในตัวมันหลุดพ้นอยู่ในตัวมันเองเราจึงมาสร้างดวงตาอันนี้ให้มันเห็น โลกสังขารโลกรูปโลกนามโลกโลกมีสองอย่างโลกคือทำให้เกิดโกรธโลภหลงโลกอันหนึ่งคือเป็นโลกของการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอแต่ว่าโลกที่มันเกิดจากการบวงแต่งเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมต้องมีสติ มีสติมีสัมผััญญะถ้าจะเปรียบเทียบเักหน่อยอย่างวัดเราก็เปรียบเหมือนโรงพยาบาลใช่ไหมสงที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเหมือนกับหมอแพทย์หรือพยาบาลธรรมะที่เราพบเห็นของจริงเหมือนกับโอสดเหมือนกับยาเมื่อคนป่วยเกิดทุกข์คนหลงมาเราก็ให้ยา สิภาสองมีความรู้ไม่ขี่มีความรู้ว่าส่งปฏิการนมีความรู้สอนกันให้ยาคือให้คำสอนบอกกันให้เขาให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดที่โลกกับเขาที่บอกเขาเห็นไหมเห็นแล้ว หรือว่าเป็นใบกะมันวันนี้หนูเครียดน่วงก็น่วงเครียดก็เครียดจิตใจไม่สงบปุ้งซ่านแล้วก็เครียดหนูเครียดมันไม่ใช่ถาใหมห่ดูสิมาให้ตอบอย่างนั้นหรอกนักกรรมฐาน ไห้จดไงล่ะแล้วพ่อก็บอกให้ดูมันให้ดูมันมันสงบก็ดูมันมันไม่สงบก็ดูมันมันโงงใสมันไม่ตึงไม่หย่อนก็ดูมันมันเครียดก็ดูมันไม่ใช่เราวันนี้หนูเครียดยังไงหนูไม่มีอยู่ในความเครียดเครียดไม่มีในหนูไม่เต่เห็นมันเห็นอาการของมัน อาการเดือดเหียดมีอยู่แต่ว่าไม่เป็นจริงไม่จริงแบบไม่จริงอย่าให้มันถูกหลอกได้ก็ามฉลาดตรงรั้นด้วยหาความฉลาดในสิ่งที่มันโง่โงนะ่มันเป็นสิ่งที่ผิดความฉลาดให้เราได้พบเห็นจริงจริงจังจังตรงกันข้ามจริงๆริ ง, ร ง, รงนะก็ต้อผัา ด, ดู สัมผัสโดมื่อนเราเข้าไปสุขไปทุก์วันนี้เรามาเห็นบันสุบรนทุกอ่าสัมผัสดดรสชาติต่างกันรสประรรมย่อมชาอ้ารสอาจทมทั้งหลายได้แต่เราเห็นจริงๆแล้วเราเจองมาปฏิบัติธรรมมาศึกษามามีสติ ให้เกิดสิ่งแวดล้อมกับตัวเราดีๆไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ไหนก็สร้างเอาสร้างเอาสิ่งแวดลอ้อมผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ใดที่นั่นนั่นก็เป็นที่น่าลื่นลมบ้านก็ตามอยู่ป่าก็ตามอยู่ล่มก็ตามอยู่รอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นที่ลื่นลมของผู้มีสติสัมปชัญญะ ถ้าไม่มีสติสัมมาัญญะอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีอยู่ที่ว่างก็โกรธได้อยู่ที่ป่า ก, ดดาก็โกรธได้อยู่ที่ร่วมที่ดอนก็โกรธได้อยู่ที่ไหนก็โกรธได้ทุกได้ถ้าเรามีสติปัญญาเป็นวิหารธรรมของเราสงบลมเย็นมีชีวิตชีว่าชีวิต เป็นของเราถ้าเราหลงไม่ใช่ชีวิตเราพอเรารู้สึกตัวเป็นชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราไม่มีวันเกิดแก่เกิดตายชีวิตตัวรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่รูปกายแยวรูปกายมาเป็นชีวิตเราเอามาเป็นการศึกษามาเป็นตําราให้ได้ประโยชน์จากกายจากใจของเรานี่ ให้เขาพูดให้ฟังพูดสุกันควังก็จบโพธเท่านี้ก่อนอาจารย์ยูจิพาไว้พา